Thank you. ฟังกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมเราเรามีหัวอกกันเดียวกันจากบ้านจากเรือนราการลาการมามาถือบดมาปฏิบัติจากเรือนไปเกี่ยวข้องด้วยเรือนให้ได้มีบทเรียนหลายหลายอย่างหลวงตาจะพูดให้ฟังสิ่งที่พูดนี่มีอยู่ในเราด้วย มีอยู่ในคำพีตำลาด้วยไม่ใช่ลมลมแรงแรงพวกเราก็ไม่ใช่ตาสีตาสาโง่โงาโตทุนเป็นการศึกษามาปัญญาชนทุกคนเราก็ได้ความจิตกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพุทธศาสนาทั่วโลกมันเป็นวันสาคนของโลกวันวิเคาขบาูชานะย ป่านี้พระพุทธเจ้าของเราองคงจะงงต้นสีมหาโพธิ์อย่างไม่กระพิปตาเศรษฐมุตติสุขเพราะความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกพร้อมพระธรรมสมบูรณ์แบบทำอันใดที่ทําให้เกิดการตัดสู่ขึ้นมาทําอย่างไรได้บทเรียนจากตัวเองไม่มีครูสอนเมือ่อกเราสวดเมื่อกี้นี้ สติปัถานกายานุปจนนาเวทนานุปัจนนาจิตตานุปัจนนาธรรมานุปัจนนามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในเวลามีสติเวลาทำความเพียรเวลาบำเพ็นดังกิจแล้วก็ฤทธิจวดจริงเหล่านี้สอนให้หลงสอนให้รู้ด้วยกายก็สอนให้เราหลงก็ไงกายก็สอนให้เรารู้ก็ไง เวทนาก็สอนให้เราหลงก็มีเวทนาสอนให้เราลูกรวมมจิตสอนให้เราหลงก็มีเป็นทุกข์เป็นโศกพรของจิตก็้มีธรรมสอนให้เราหลงสอนให้เราลูกรวมมีก็ได้บทเรียนไปจากของจิตคือร่างกายไหมปฏิบัติจากนี้เป็นหน่งก่อนจึงมามีตําราทีหลังเรียกว่าพระไตรปิฎกมันมีอยู่ในเราเพราะพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นมาทันที ทำมันได้ทำให้เกิดทารตัดสู้โลรอบรุสรนจุิวุรนบุญเชินเิงมีอัฐมีพยัญชนะออกมาพูดมาสอนผู้คนได้นับจากนี้ไปประมาณเดือนกว่าๆจึงได้แสดงธรรมกำลังวางแผลจะทำอะไรไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนแม่ไปแสวงหาครูาอาจารย์ที่ใดอุตกาตดาบทอรารดาบท ท่านก็ไม่พูดเรื่องนี้มาเป็นการตัดสู้เองโดยชอบขึ้นมาจะเอาอย่างไรดีในเวลานั้นประเทศเดียมีลทัทธิเนี่ยหนามากมีกษัตริย์พรามแพทย์สูตรจันทานในคนที่มีวันรณะถือกันมากแต่พระองค์ก็ปฏิวัติออกปวดจากกษัตริย์เขาเก้ผมเจียะตะโกนผมทิกนุ่งองฝาดไม่ใส่เครื่องประดับตกแต่งอะไร มัน ก, ก็แปลกที่จะไปสอนใครก็วางแผนยุ่งยากไม่เหมือนพวกเราพวกเราในเวลานี้มีที่ลงรับเจแยะการเผยแร่ก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่ในวัดวารา ม, มีสำนะสารูปเป็นพระเป็นสงฆ์บารจุบาริกาวัดวารามแต่ขณะที่พรอะอยู่ในสีมหาโพนสวยบุตธธิสุกก็วางแผนที่จะไปทำไง มองหาคนที่จะบอกจะสอนใครหรอจะมารูเรื่องเนี่ยจึงมองเห็นกัจจวบัี น, นี่ที่เคยอยู่ด้วยกันมาคงจะพอฟังไนดะ้เดือนกว่าเดินทางจากพุทธกยาไปถึงพาราณสีตามไปกระเสไปเพราะพาราณสีนี่มีอิสิปตตนนักบลุคดายวันเป็นที่ของพ า, ามของ หรือสีขีภัยทั้งหลายที่ไปอยู่อาศัยที่นั่นห่างจากปราราศีไปวังเข็ดกมก็ตามไปขนาที่เดินทางออกจากพุทธคยาจากการตัดสู้สีมหาโหดนั้นเราไม่พูดรายละเอียดนะก็จำมาเนาะแต่ว่ามีหลักฐานน่าจะพูดว่าเพื่อเป็นส่วนประกอบให้ท่านผู้ฟังไม่ดุนเดา เดินทางออกจากศรีมาโภมีอุบาคารีภคคนดั่งเห็นก็เกิดหน้าเรื่อมใสอยากถามก็ถามดูทำไมจำนะตรงนี้จึงมีลักษณะท่าทางสง่าราศีให้เหมือนจำนะอื่นๆก็อยากถามก็ถามท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมท่านจึงมีผิวพรรณผ่องใสเง่งนักครูของท่านคือใครใครเป็นครูสอนท่าน แต่นั่นก็าอวดกันเรื่องครูเมื่อเจอกันก็พูดทุกหน่าเราเป็นทางเราเป็นกรรษัตริย์เราเป็นแพทย์มาจากตะระกูลนั่นตะระกูลนีน้ครูของเราคือครูทั้งหกอะไรก็ว่ากันไปครูก็ดรนะจายญะอะไรครูทั้งหกเราเคยเรียนมาจำไม่ได้เมื่อเพื่ออุปการชีวกค น, นั้นถามอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนครูของเราที่เคยอยู่ด้วยกันมา พระพุทธเจ้าก็เราเป็นชาวเสียมผูตัดสรุเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราผมกาชีวะเล่นดิ้นใจเลยเม่รู้อะไรหนีไปคุยโวกันไไม่ฟังเลยแทนที่จะได้ฟังทำพอเห็นแล้วก็ไม่ชอบถอนความพอใจและความเม่พอใจออกไม่เป็นดวนรับดวนปฏิเสธคำพูดแบบนี้ไม่ชอบ พบราชีวกค็คนั่นก็หันหลังหนีไปต่างๆ ไ, ได้บทเรียนเนี่ยพระพุทธเจ้าได้บทเรียนโอ้เราพูดมากเกินไปหนีเยินไปเดินไปถึงปัญจวิชีเลยเี่ยวตอนไปพบที่แรกเห็นปัญจวิชีอยู่ปัญชีหนีไปเลยก็จำได้จ่ายเวียนกวักวเดทะสำนะมากๆ ม, มาแล้วตามมาแล้วพวกเราอย่าตอนรับเพราะคนล่มเหลว ไปนี่ไปเดินไปที่ถึงอิสิปัตนาลบนั้นไปพักที่นั่นพระเจ้าก็ตามมาเอกพอตามไปเย ก, กเอาความปัญจุพิธีทั้งห้าก็เอามาอยู่แล้วอำนาจมากมากมาอยู่แล้วเพราะเราอยากสนใจถ้าจะนั่งก็นั่งได้ไม่นั่งก็แล้วแต่ไม่ต้องต้นรับอะไรเจ้าไปเดินไปถึงขณะที่ปรรจุพิธีนั่งคุยกันอยู่สนธนาการรมกันอยู่ ไม่ใช่พูดอะไรพระเจ้าดูก่อนปัญจวิชีดูก่อ น, อนไม่ใช่เราเป็นชาวเสียมผูตัดรูดเองไม่ใช่คำนั้นแล้วดูก่อนปัญจวิชีเราได้ตัดจรูดโดยชอบเราจะบอกปัญจวิชีซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาโดยเพราะโกนชายามารเราขอโลกเป็นสัตบุรุษเป็นบรรพรุษของเรา ดูก่อนดูก่อนวังเราตัดจูแล้วออกคำว่าได้ยินว่าตัสจะรู้กนเดยาพามหันหน้ามาใส่ส่วนวัปปะพัธิยะมหานามะอาจิยังหันหลังให้อยู่ไม่สนใจก็เลยเอออาจนะไปกูให้นั่งให้แสดงธรรมก็ปรากฏว่าวันนั้นเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาอัญจากโกนญา การเทศนาของพระเจ้ากันแรกคือวันเป็นเดือนแปดเียว่าวันอาสาบุชานับจากเดือนหไปถึงเดือน8ปดแน่ถ้าวนเดือนหกหัวเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาตามลาดับอัญญาโกนธะยะรู่ก่อน บ, บพปพัทิยะมหานามะรูกที่หลังที่หลังสี่วันหวันสิบวันเจดวันไปเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมามีรัตสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบุญแบบ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 ปัญญผีทั้งห้าอยู่ไปอีกไม่นานเอา้าเอศ า, ากุลบุตรเป็นลูกเสือทีในพาราณสีนั้นลองออกมาตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยทุกหนทุกหนอกหน อ, อ, อกจากพาราศสีมัอาอิสิปตนะเพราะที่นั่นเหมือนที่ปลดปล่อยทั้งจัการาสิ่งใครมาอยู่ก็ไม่มีอันตราย เมืองพาราสีกันเอาไวเป็นที่ปุดปล่อยของสัตว์ทั้งหลายสำนัรฤาษีชีพัยมาใช่กันยาสาุกบรก็ลูกก็เดินมาอาจจะมีฤาษีชีพัยอยู่แถวนี้บ้างทุกหนทุกหนขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจงกรมอยู่ประมาณนี้คานวณดูนะมโนภาพนะตอนเช้ามืดญาสาุกบุรออกหนีจากบ้านมาไม่ให้ใขลูก มื่อวันที่กำลังคนกําลังหลับมาก็มาถึงอิสิปัตนะทุกหนอทุกหนอวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินตั้งที่เป็นลูกศิษยีคนคนเดียวก็ยังมีทุกข์นะน่าจะไม่ทุกข์เลยอะไรก็ไม่อดไม่อยากพระเจ้าโดนจงกรมอยู่ก็เรียกขึ้นตอบที่ไม่วุ่นวายที่ไม่ทุกหนไม่ทุกที่ได้ไปวุ่นวายที่ไม่มีทุกมาที่นี่เถิด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 เหมือนชอบเสื้อผ้าที่บังเปิดเดพื่อนมาผู้เจ้าก็แสดงทำอนุบุพิกถาเหมือนกับซักให้บริสัทธ์แล้วก็ยอ้อมไม่ทำมเทศนานั้นที่เสร็จโปวดยาสาวกุลบุตรในที่สุดย า, าดสย า, าวกุลบุตรก็ได้สําเร็จดวงตาเห็นธรรมถือบวชเหมือนกับปัญญพีเข้าไปแล้ววิดามาดาบริวารของยส า, าวกุลบุตรไม่เห็นตามหา ว่นวายกันเอาต้นนะคงจะไปอีสิต้นละใครก็ไปน้นเตยน้นก็มาก็มาเห็นรองเท้าอยู่หน้าวัดพ่อพ่อก็จํำได้บิดาของยาสะกคนบทเศรษฐีจําได้นี่รองเท้ายาสะกามเข้าไปไปเห็นยสะกคนบทบวชเสร็จแล้วนั่งล้อมพระพุทธเจ้าอยู่เศรษฐีบิดามันดาเพื่อนของยาสักคก็ไปร่วมฟังธรรมขณะที่โพท ยาสักุลโมตรนั้นทั้งพันยาเก่าด้วยนะไปด้วยกันนะพุทธเจ้าก็แสดงทำก็ได้เกิดเรื่องสายชะตาเป็นอุบาสกอุบาจิกาคนแรกเกิดขึ้นขณะนั้นภิกษุภิกษุณีอรพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบาสกอุบาจิกาเกิดขึ้นในนั้นเป็นคนแรกคือพ่อของยาสะแม่ของยาสะกพันยาของยาสะ ก็ใม่วนพระเจ้าข้อมูลสงบัญยุทธิยะศรไปฉันที่บ้านโปรยยอดดวงทั้งหลายเพื่อนของยะศกวนบดเห็นยะศร์บดเอา้ามาถือบดอีกสี่สห้าคนะเออเมื่อก็เกิดขึ้นมานี่หลักฐานใครละ่ะเนไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพอสมควรผู้คนทั้งหลายปฏิญุทธิยะศร์กวนบดเพื่อนยะศรกวนบดนับจากนั่นไปอีก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 เราก็จะไปยังอุลุเวลาเสนาในกรมคือราชคฤห์ที่ได้นัด ก, นกันกับพระเจ้าพิมิสารสมัยเสียทะออกทรงนหนวดจึงเป็นเมืองกษัตริย์ด้วยกันพระเจ้าพิมิสารกับพระเจ้าสโตทนะนั้นเกษัตริย์ด้วยกันของบ้านกองเรืองตามหัวเมืองต่างๆมาก็บอกว่าเออถ้าเสียทะคนพบจดจำเจ้าไหนก็นํา ม, มาบอกด้วยเด้อ มาบอกด้วยอย่าที่งพ่อนะก็ไปไปบอกไปสอนนี่คือความประกาศพระชาสนาจึงเกิดวัดแรกขึ้นมานับจากวันเป็นเดือนแดไปถึงวันเป็นเดือนสามประมาณเก้าเดือนมีประหารเกิดขึ้นหนึ่งพรหสบลูกเนี่ยนับไปดูสิ๊ทำไมได้มาจากไหนหนึ่งสรหสิบลูกนะเพราะพูะเจ้าจำอยู่ที่เปรูวัน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 ภิกษุที่ไปเผยแพร่เกิดขึ้นมาก็ชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะวันเป็นเดืนอนสามเป็นวันสําคัญของวันเป็นรีของเขาหลวงตาก็เคยไปเวียนเทียนที่สาลจีเมืองลักเนาไปเป็นเป็นเดือนสามไหนพอดีเอาไปเจอพิธีของเขาเขาเรียก ว, วันใส่ล้ายป้ายสีเขาสนุกสนานนะใส่ลายป้ายสีวันสงการานต์บ้านเราน่อเล่นมอมกันเหมือนคนวบราณมอม มันมีแป้งเอาก้นหมอ้อเอามือไปเท้าก้นหม้อดำดำไปป้าหน้ากนันก็ไม่ว่ากันไม่โกรธกันในวันนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีแป้งไม่มีก้นหม้อเหมือนเมื่อก่อนเนาะใช่ไหมใครเกิดอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีคงเห็นสมัยนั้นนะครับี่เป็นเอาก้นหมอ้อดำด ำ, ดำไปปะกันนะนี่ก็เหมือนกันละ่ะสันดาเคยไปเวียนเทียนอยู่ที่ไ่นไปอยู่ที่สารขี่เราก็เล่นกันไปจะล่าป้ายสี เขาจะมาป้ายเราสีของเขาเนี่ักไม่ออกนะถ้าหน้าก็โอ้ยเป็นเดือนละจึงจะทาออกแต่ว่ามันใช้สีดำเป็นสีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีอะไรถึงต่อใส่เสื้อก็เขียนเลยเลยเอย้เราก็นั่งอยู่ที่วัดนายสารขีเขาก็เฮขึ้นว่ายมาเห็นลงตานั่งดู บรรพูหุดที่สร้างกระตีสร้างวัดขึ้นมาด้วยหินกระตีหลังนั้นที่มานั่งอยู่น่ะยังงดงามอยู่เลยระหว่างเสาระหว่างคือระหว่างจันทน์เป็นหินทางนั้นต่อกันในเหมือนไม่มี อ, อะไรเลยปาณีดยิ่งกว่าไม่ใช่แต่หลังคาไม่มีมีแต่เสากับคือกับจันทน์มองสวยงามที่สุดเลยระหว่างพื้นระหว่างดวดระหว่าง จั่โอ้ยงามที่จุดเลยเ้ยเป็นนั่งดูโอ้ยสองสามพันปีอ๋อใจพุทธิเจ้าน่มาดูผีเหมืองคนโบราณเนี่นั่งอพอดีพวกกเล่นใส่ไล่ไปสีขึ้นไปอาไดดามะอาไดดามะอาไดดามะมันเห็นเรานึา่ว่าองค์ไดดามะไดดามะไดดาม ะ, ามะลุมมข้อบามาหาลระเราก็นั่งหลับตาเฉยออกมาใกล้ๆแล้วก็ ยศเสียงลงเอาเรินตาขึ้นมาก็คานเข้ามาเอาสีมาปิดจีวรเราเม็ดหนึ่งมันก็ออกนี้ไปเออนี่ก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ถึงเนื้อถึงตัวเหมือนก็เล่นสงการบ้านเราทุกวันเนี่ถึงเนื้อถึงตัวกันเลยแต่ไล่ไปเสียก็พวกพระอรหันต์ทั้งหลายที่เกิดจากการเผยแผ่ระหว่าง นับจากเดือนเป็นเดือนแปดถึงเดือนสามในเข้าแมนแปดเข้าเดือนเกิดพระหลนหนึ่งพันสองรอยลูกไปรวมกันที่ป่าเวรวันสวนเวรวันองเราจะคือเดินทางไปไปพบพระเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าโอ้อาจจะจะนองพระสงฆ์ที่มาเน่มารวมกันไม่ได้นัดหมายตั้งหนึ่งพันสองร้อห้าสิบลูกล้วนเป็นพระหลันทั้งหมดเลยจะแดง อ, อวาาติโมก เนี่ยขนาดเ้าเดือนน่ยมีพลันเกิดขึ้นหนึ่งันสองอห้าสิลูกนี่คือผลงานของธรรมะที่เป็นหลักฐานความจริงที่ปรากฏการสมัยพุทธกาลอันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ทรงสินเขียนป้ายไว้ในวัดที่นี่ไม่ทุกเลยที่นี่ไม่ทุกเล ย, เลยอยากจะบอกเลยนะเหมือนกับอิสิปันละูุท่เราพูดคำนี้ออกมาที่ไม่ทุกที่ไม่วุ่นวายมาที่นี้ยางเขียนไว้เลย ที่ไม่วนเวัยที่นี่ไปทุกมาที่นี้อยากมันจะเกินไปเนะาะก็เพียงแต่เขียนว่าปาสุกุโตสถาบันสติปัฏฐานเท่านี้ก็คุยแล้วใช่ไหมมีวัดใดที่เขียนอย่างนี้บ้างไม่มีแล้วุกโตก็เขียนลงไปพาดไทยสักหน่อยสถาบันบางที่สถาบันการศึกษาอะไรเป็นสถาบันอะเราไปบางชื่สถาบันแต่สมัยก่อนสถาบันราชพัฒน์วัดเนี่ยมาเขียนสถาบันอะไรเป็นสถาบัน มีคณะอะไรไมมีแต่ยาลาเขไม่มีจติก็ไม่มีสถาบันอยู่ตรงไห น, นอยู่ที่ชีวิตจิตใจของเรามีหลักฐานอยู่ที่นี่มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเรื่องของสติเอาอันนี้เป็นสาบันจบเรื่องนี้กันจบกายดูซิมีปัญหาเรื่องกายไห ม, มใครมีปัญหาเรื่องกายยกมือขึ้นดูซิยกปือถ้าใครมีปัญหาเรื่องกายไม่มีนะไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยหิวข้าวเหรือ เคยไปสอนมหาวิทยาลัยพะเยาเชียงใหม่สอนบาดหลวงเขามาถามได้เลยเรามีคนเหมือนกันคนเรามีมีเหมือนกันคือกายกับใจเครมีกายอยู่เนี่ยยกมือขึ้นดูสิเอาใครมีปัญหาเรื่องกายใครมีใจอยู่นี่ยกมือขึ้นดูใครมีใจเรามีใจใครมีปัญหาเรื่องกายเรื่อง ใ, ใจยกมือขึ้นดูสิเราก็ยกมาถามบาตหลวงเขาเคยแก้ปัญหาเรื่องกายเรื่องใจเลยยกมือขึ้นดูสิ ไม่มีใครยเร า, เรายกมอขก้นนี่สถาบันของเราให้ประมดจ้าปัญหาเรื่องกายเป็นตัวเป็นตอนอยู่ในกายมีไหมเอาตอนเอากายไปวัดกับอะไรต่างๆเราชอบเราไม่ชอบมีตอนอยู่ในเวทนาเอาเวทนาเป็นตนมีไหมเป็นสุขเป็นทุกข์มีไหมเอาจิตมาเป็นสุขเป็นทุกข์มีไหมเพราะนั่นเนี่ยเรามาเห็นเรื่องนี้เป็นสถาบันของเรา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 กรรมาฐานตั้งยว้ตรงนี้ไม่ใช่เอาหนังสือตำรามาเรียนหนังสือตำราคือกายคือใจเราสติเป็นนักศึกษาเข้าไปศึกษาให้มันจบซะจนพูดออกมาว่าจบแล้วเหมือนพระเจ้าจบเรื่องนี้เมื่อบานนี้จบจริงๆพระอง์ยิงตัดออกมาอุทานออกมาว่าชาติจิ้นแล้วพงไมาจันท์อยู่จบแล้วคิดอื่นที่ต้องทํำไมมีอีกแล้วในโลกเนี้ยภาละปัญหาเรื่องกายเรื่องใจ ไม่มีหล้วหมดลงปองไว้ได้ตัดจลุลอนุตตละสัมมาสัมโพธิญาในเมื่อคืนตอนล่วงเช้าเมื่อวานนี้เกิดขึ้นมาแล้วพร้อมบบทัพธรรมที่ทรงแสดงเรื่องนี้แล้วก็แสดงในเรื่องนี้มาตลอดแล้วใครบ้างที่พิจูดเรื่องนี้กันในคนไทยมีบ้างไหมที่มีสติหนึ่งวันสองวันต่อเนื่องกันมีไหมสองชั่วโมงมีไหมหนึ่งชั่วโมงมีไหม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 มีสติอย่างเดียวรู้จักรู้จักเข้าไปภาษาพระเจ้าสอนว่ากายจะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตอนเราเขาเคยว่าเคยบอกตัวเองอ่ะนี้ไหมเวทนาคือวันฉุกหวันทุกข์ก็ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตอนเราเขาจิตวันคิดโนดนจีนี่ก็ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตอนเราเขาเคยสอนเคยกลับมาอย่างนี้ไหมหรือว่าเป็นเวกามันเลยเรื่องขอกายเอว่าเป็นฉุกหวันทุกข์ เรื่องของเวทนามาเป็นโุกเป็นทุกข์ไปแย่งกันไปข่มขืนเอาไปเชื้อเอาพ่นเอามาบ้าความโุกของเรามันเป็นความทุกข์ของเขาแต่ว่าเป็นความโุกของเราก็เอาอะนั้นก็ไปถูกจะเว้อไปแล้วอย่งควารู้อ่างนี้พ่สูจกันลองดูให้ฉุดผีเมอเราอย่าไปเชื่อใครง่ายๆแม้ตัวปฏิบัติก็อย่าไปเชื่ออ่านความรู้่ังนี้ อาจารย์ก็หลอกลูกฉิดไปไดลูกฉีดก็หลอกไปได้เช่นเรามือวางไว้บนเขานะ่ะเมื่อเราเยอยู่ไหนพลิกมือขึ้นเราใครเป็นคนลู่เรารู้เองเรารู้เองใครจะมาว่าลู่มือเราอยู่ที่อื่นเราไม่เชื่ อ, พอเพราะรู้จึกตัวมืออยู่ตรงนี้ยกมือขึ้นเราก็ลู่ไม่ใครบอกว่ามือของคนวางอยู่ไม่มีใครเชื่อวางมือลงเราก็ลู่มันคิดไปโน้นมันหลงเรารู้เองมันลู่ควมรู้จึกตัวเราสร้างกันว่าวันควาหลงหมดไปเรารู้เอง สัมผัิความรู้ความหลงลองดูมันจะเป็นอย่างไรเวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวเวลามันโกรธรู้สึกตัวมันจะเป็นอย่างไรเรียกว่าฐานหรือว่าปฏิบัติหรว่ากลับมากลับมาภาวนาคือขยันรู้ไม่ใช่มานั่งคิดหาเหตุหาผลภาวนาคือขยันรู้